ปัญหาข้อที่สอธิบายและตอบปัญหาเรื่องทำไมคนทำดีในวงกว้างทำบุญใหญ่ต้องเจอความลำบากมากมายการโดนทดสอบบา ร, รมีว่าจะเป็นคนดีจริงจะมาทำงานบางอย่างได้นั้นมีจริงแค่ไหนซึ่งในที่นี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติต่างศาสนาแต่กลับมีหลักการตรงกับความเชื่อในฝ่ายพุทธข้อพิสูจน์คนทรงว่าของจริงหรือไม่ ลักษณะพิเศษทางจิตที่คนทั่วไปสังเกตได้ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เป็นเหตุให้ติดต่อกับโอปปาติกะได้จริงปัญหาข้อที่สเหตุไรคนที่มีบุญอย่างเอสเทลโลเบิร์ตจึงต้องประสบกับความลำบากมากมายในประวัติของเอสเทลโลเบิร์ต ตอนระยะแรกๆจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความลำเค็นได้รับความลำบากนานาประการซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะโดยธรรมดาคนที่มีความสามารถอย่างเอสเทโรเบิร์ตซึ่งมีความสามารถติดต่อกับโอปปาติกาได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและพื้นนิสัยจริงๆก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นอย่างลึกซึง้งทั้งที่มีความลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ก็ไม่เห็นแก่เงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงคือมีบุญบารมีมามากฉะนั้นควรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมาตั้งแต่เกิดแต่แล้วกลับต้องมาประสบกับความลำบากยากแค้นต่างๆโดยเฉพาะในตอนแรกๆก่อนที่จะตั้งตัวได้นั้นได้รับความลำบากมากมายอันที่จริงปัญหาข้อนี้เอสเซลโรเบิร์ตก็ได้ตอบไวในหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนกัน คือเขาบอกว่าความลำบากทั้งหมดที่ผ่านมาจําเป็นที่จะต้องได้รับก็เพราะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะรับภาระหนักที่จะมีต่อไปในการภายหน้าความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ผู้อา่านได้โปรดตระหนักไว้ให้มากกล่าวคือคนที่เป็นคนทรงนั้นแม้จะมีความสามารถมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าหากพื้นความอดทนและพื้นความใจเย็น มีม่พอจริงๆแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอันนี้ไปได้ตลอดเพราะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้นมีมากเช่นในบางครั้งความรู้สึกในทางโลกจะดึงไปตามทางของมันให้ละทิ้งหน้าที่อันนี้ไปและคนทรงทิแท้จริงนั้นจะเป็นคนเห็นแก่เงินเห็นแก่ความสําราญต่างๆยิ่งไปกว่าภารกิจไม่ได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความสามารถที่มีอยู่จะเสื่อมลงในไม่ช้าและนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่มากประการที่สองความผิดหวังในการติดต่อซึ่งจะต้องมีนับครั้งไม่ถวนทั้งๆ ท, ที่เคยติดต่อได้แต่ในบางครั้งจะทำไม่ได้หรือทำได้แต่ก็จะไม่ได้ผลเหมือนอย่างที่นึกคิดเอาไว้ก่อนว่า ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แล้วก็ไม่เป็นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะทำให้หมดกำลังใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้รับภาระอันหนักในอันที่จะนำแสงสว่างมาสู่โลกซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายและต้องใจเย็นจริงๆนั้นควรจะต้องมีการทดลองน้ำใจกันเสียก่อนว่าท่านในบางครั้งเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมความปรารถนา จ, จะเย็นพอหรือไม่จะอดทนพอหรือไม่ความเชื่อความนับถือยังมั่นคงดีหรือเปล่าเพราะถ้าหากคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มีไม่พอความสามารถในการเป็นคนทรงก็จะเสื่อมอีกเหมือนกันโดยเหตุนี้จึงต้องมีการทดลองโดยไม่บอกให้รู้ตัวและไม่ให้ทราบเหตุผลซึ่งคล้ายกับเป็นการเสี่ยงบารมีกล่าวคือถ้าหากเป็นคนมีบุญพอที่จะทาหน้าที่อันนี้ได้ ซึ่งเป็นงานที่มีเกียรติมากเพราะเป็นงานที่จะนำแสงสว่างมาสู่มนุษยชาติเขาก็จะใจยเย็นและอดทนได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ในระยะแรกๆเอสเทโรเบิร์สจึงต้องประสบกับความลำเคินต่างๆข้าพเจ้าเองก็เคยได้รับบทเรียนในํานองนี้มาแล้วเหมือนกันถึงแม้จะไม่สาหัสเหมือนกับเอสเทโรเบิร์แต่มันก็รุนแรงพอ ที่จะทําให้คิดเลิกในอันที่จะทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานที่ข้าพเจ้าทําอยู่ทุกวันนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วข้าพเจ้าจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของผู้ที่สนใจในทางนี้ว่าท่านจะไว้ใจคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้นั้นควรจะศึกษาคนคนนั้นให้เข้าใจดีซะก่อนมิฉะนั้นอาจจะถูกหลอกได้ง่าย โดยที่คนทรงเองก็อาจจะมีใจบริสุทธิ์ไม่คิดจะหลอกลวงใครเพราะโดยธรรมดาถ้าหากคนทรงคนไหนมีความกดดันอยู่ภายในมากหรือมีหลักวิชาไม่พอการเข้าทรงจะผิดพลาดได้ง่ายที่สุดโดยที่คนทรงไม่รู้ตัวว่าผิด